50 languages. ที่ร้านอาหารสอง Restaurant ขอน้ำแอปเปิลค่ะขอน้มะนาวค่ะ ขอน้ามะเขือเทศค่ะ क ิรปाาค่ะเกะอีกทม่าตระดาร้อดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะเม न ู ए ี प ्ยा ल ा लाल शराब รา ह िจดีเดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะเมนูอีกพยัลล์ชิตตี้ชราบใจดีเห ดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะเมนูอีบ็แชมเปญใจดคุณชอบปลาไหมคะคิตุฮานูมัชชีชังกิลักดี है คุณชอบเนื้อวัวไหมคะคิตุฮานูโกมาสชังกาลักดาเหคุณชอบเนื้อหมูไหมคะคิตุฮานูสูรดามาสชังกาลักดา ดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เมนูม้าสต์ต์ไม่นักกุจใจดะเหรอดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุดเมนูอีกทั้ลีสับดียะใจดียะฮารดดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานเมนูกุจอเจฮาใจดะเหรอจูจ้าด้าเดี๋ร์น่าลเว คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะรสชาติไม่อร่อย เมนูไม่มาอาหารเย็นชืดอา่าทันด้าแหดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้แม่เอ h ไม่ได้มงวยสิการุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด